ฟังรำคาพุท ธ, ธะสุขที่สัตว์โลกควรกลัวและไม่ควรกลัวก็คําว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยในความสุขเมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้วควรประกอบสุขชนิดที่เป็นภายในข้อนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลอะไรเล่า พิสุท์ต่้งหลายการมาคุณมีห้าอย่างเหล่านี้5้าอย่างคือรูปที่เห็นได้ด้วยตาเสียงที่ฟังได้ด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจ ม, มูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและผลทพะที่สัมผัสด้วยกายแต่ละอย่างล้วนเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ เป็นที่ยยนตายยนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่ซึ่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่สุขโสมนัสอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามาคุณห้าเหล่านี้สุขโสมนัสนั้นเราเรียกว่ากามาสุขเป็นสุขของปุถุชนเป็นสุขทางเมทุนไม่ใช่สุขอันประเสรศิฐ เรากล่าวว่าสุขนั้นบุคคลไม่ควรเสพไม่ควรเจริญไม่ควรทำให้มากควรกลัวปิจทตงหลายส่วนเธอผู้ใดในธรรมะไว้ในนี้เพราะความสังัดจากกามและสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุัานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวก แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้หรือเพราะละวิตกวิจารณ์เสียได้จึงบรรลุฌานที่สองมันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในนำให้สมาธิมีอารมณ์เดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้หรือเพราะ ความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่เบิกขามีสติสัมปชัญญะ ส, สุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่เบิกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้หรือเพราะละสุข และละทุกเสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโธมนัสในการก่อนจึงบรรลุชานที่4่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เหล่านี้แหละคือความสุขที่อาศัยในขัมมะเป็นความสุข ที่เกิดจากความสงัดเงียบสุขที่เกิดแต่ความเข้าไปสงบระงับเป็นความสุขที่เกิดแต่ความรู้พร้อมเรากล่าวว่าความสุขนั้นบุคคลควรเสพไม่ทั่วถึงควรทำให้เจริญควรทำให้มากไม่ควรกลัวคำใดที่เรากล่าวแล้วว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยคือตัดสินใจในความสุข เมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในนั้นคำนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้เรื่องความรู้สึกของบุตุชนไขกันอยู่เสมอต่อหลักแห่งเริยสัตว์กระนบดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกำลังไม่มีจิต ไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วข้าแต่ท่านผู้เริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ผิดปกติไปได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยนันเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วประการตายของบุตรน้อยนั้นการงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมน ข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วคร่ำครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละขา้าพอดีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแก้ใจทั้งหลายนั้น<อ>เกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดข้าแต่ท่านผู้เจริญ ความโศกความรับรำลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรกันเพราะว่าความเพลิดเพลินและสมนัสต่างหากที่เกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดข้าพบดีนั้นไม่ยอมรับไม่คัดคานคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะแล้วหลีกไปเสีย เขาได้เข้าไปหากลุ่มนักเลงสกาที่เล่นสกากันอยู่ในที่ใกล้ๆกันนั้นเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ได้รับคำสมอ้างจากพวกนักเลงสกาเหล่านั้นว่าถูกแล้วถูกแล้วท่านกรรดบดีถูกแล้วถูกแล้ ว, ล ว, ลวความเพลิดเพลินและโสมนัสเกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดอย่างแน่ น, นอนดังนี้เขาก็พอใจว่าความคิดของเขา ตรง ก, กันกับความคิดของนักเลงสกาทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็หลีกไปการฟังเรียสัตว์เหมาะสำหรับจิตที่ฟอกแล้วเท่านั้นพิกษุทั้งหลายครั้นนั้นแลมหาชนชาวพันทุมาดีราชธานีจำนวน 84,000 คนออกจากเมืองเข้าไปเฝ้ารับผู้มีพระภาค วิปัสสีถึงที่ประทับนักเกตมิกระยาวันถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่ข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาควิปัสสีได้ตรัสอนุบุพิกถาแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวคือเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์ทรงประกาศโทษอันเศ้าหมองต่ำทรามของกรรมทั้งหลายและอ น, นิสง ในการออกจากกา ร, รครั้นทรงทราบบ่าจนเหล่านั้นมีจิตเหมาะสมอ่อนโยนราศจากนิวรณ์ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ได้ตรัสธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และเรื่องมรรค เปรียบเหมือนผ้าอันสะอาดปราศจากสิ่งแปดเปื้อนย่อมรับเอาซึ่งน้ำย้อมได้อย่างดีฉันใดธรรมจัจสุปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแกมหาชน 84% ดหมพันเหล่านั้นณนะที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมด มีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันส่วนเหล่านั้นมีทำอันเห็นแล้วบรรลุแล้วรู้แจ้งแล้วยังเอาได้ครบถ้วนแล้วหมดความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคําสอนแห่งศาสดาตน ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าวิปัสสีว่าไพเราะนักพระชอบข้าไพเราะนักพระชอบข้าเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นดังนี้พิสุททั้งหลายพวกเธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิดเธอผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงพวกเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเร่นเถิดเธอผู้หลีกเร่นย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงรู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งอะไรเล่าคือรู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงประเสริฐว่านี้เป็นทุก ซึ่งความจริงกนประเสริฐวันนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งความจริงกนประเสริฐวันนี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์ซึ่งความจริงก็ประเสริฐวันนี้คือทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้พวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเธอผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริง ผู้เธอทั้งหลายจมประกอบความเพียรในการหลีกเร่นเติดเธอผู้หลีกเร่นย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงพิษสุทั้งหลายพระยาสัตว์ชื่อศีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็นเหยียดกายแล้วเหลียวดูที่ทั้งสี่โดยรอบบัลลือสีีนาดสามครั้ง แล้วเที่ยวไปเพื่อหาอาหารบรราสัตว์เดรัจฉานเหล่าใดได้ยินเสียงเสียงนาศสัตว์เหล่านั้นก็สะดุ้งกลัวเหี่ยวแห้งใจพวกที่อาศัยโรงก็เข้าโรงพวกที่อาศัยในน้ําก็หลงน้ําพวกที่อยู่ป่าก็เข้าป่าฟูงนกก็โผบินขึ้นสู่อากาศ เหล่าช้างของพระราชาในหมู่บ้านและนิคมและเมืองหลวงที่ผูกล่ามไว้ด้วยเชือกอนเหนียวก็พากันกลัวเหนียวกระชากเชือกให้ขาดแล้วไทยอุจระปัสวะปลางเล่นหนีไปโดยข้างนูน้นข้างนี้วิสุทธลายประยาสัตว์ชื่อศีห์เป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์มากมีศัก์มากมีอนุภาพมาก ว่บรรดาสัจจะฌานทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้ฉันใดก็ฉันนั้นในการใดตทาคตอุบัติขึ้นในโลกเป็นพระอรันผู้ตรัสรู้ชอบเองผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ปลุกสัตว์ให้ตื่นเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ตถาคต น, นั้นแสดงธรรมว่าส ก, กายะคือความยึดถือตัวตนเป็นอย่างนี้เหตุแห่งความยึดถือตัวตนเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งการยึดถือตัวตน เป็นอย่างนี้และทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งการยึดถือตัวตนเป็นอย่างนี้พวกเทพเหล่าใดเป็นผู้มีอายุยืนนานมีวันะนมากไปด้วยความสุขํำรงอยู่มนมนานมาแล้วในวิมานชั้นสูงพวกเทพนั้นนั้นได้ฟังธรรมเทศนาของตาตาคตแล้วโดยมาก ก็สะดุ้งกลัวเยวแห้งใจสํานึกได้ว่าท่านพุชเลอร์เนยพวกเราเมื่อไม่เที่ยงก็มาสําคัญว่าเราเป็นผู้เที่ยงเมื่อไม่ยั่งยืนก็มาสําคัญว่าเราเป็นผู้ยั่งยืนเมื่อไม่มั่นคงก็มาสําคัญว่าเราเป็นผู้มั่นคงพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไ ม, ยม ไ, ไม่มั่นคง และถึงทั่วแล้วซึ่งสักกายะคือความยึดถือตัวตนดังนี้ภิสุทั้งหลายตาตาคตเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีศัก์มากมีอนุภาพมากกว่าสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยอาการอย่างนี้เรื่องถ้ามัวแต่รอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อนก็ตายเปล่าได้ตรัสกับมาลุงขยบุตร อย่างนี้ว่ามาลุงวัจยบุตรตาาคตไม่ได้พูดกับท่านว่าท่านจงมาประพฤติปรมาจันในสำนักของเราเราจะตอบปัญหาแก้ความเห็นสิประการแก่ท่านและท่านก็ไม่ได้พูดกล่าวว่าข้าพระองค์จะประพฤติประมาจันในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะตอบปัญหาแก้ความเห็นสิบประการ พระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าโมคคบุรุษที่จะบอกคืนปรมจันทร์แก่ใครมรันงเยบุตรถึงใครกล่าวว่าเราจะยังไม่ประพฤติปรมจันทร์ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกว่าพระองค์จะแก้ปัญหาที่ฐิสิบแก่เราเสียก่อนก็ตามาทศาัณฐก็ไม่ตอบปัญหาที่ฐิสิบนั้น อยู่นั่นเองและเขาก็ตายเปล่าโดยแท้ปัญหาที่ติดสิบนั้นคือปัญหาที่โตกเถียงกันบ้านโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดเป็นต้นรวมสิบอย่างเป็นปัญหาซึ่งดาดดืนอยู่ในยุคพุทธกาลมาลุงกัญบุตรเปรียบเหมือนบุคคลผู้หนึ่งถูกลูกศรอันอาบด้วยยาพิษ อย่างแรงกล้ามิตรมาดญาติสายโลหิตของเขาจึงจัดการเรียกแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญงานมารักษาบุรุษนั้นกลับกล่าวเสียอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่รู้จักตัวผู้ยิงเราว่าเป็นกษัตริย์ปรามเวศสูตรชื่อไหนโคตรไรสูงต่ำหรือปานกลางเสียก่อนแล้วเราจะยัง ไม่ถอนลูกศรเพียงนี้ถ้าเรายัางไม่รู้จักตัวบุรุษผู้ยิงเราว่าเป็นคนผิวดำผิวขาวหรือผิวสองสีเราจะยังไม่ถอนลูกศรถึงเพียงนั้นถ้าเรายัางไม่รู้จักตัวบุรุษผู้ยิงเราว่าเขาอยู่บ้านนิคมหรือนครไหนธนูที่ใช้ยิงนั้นเป็นชนิดหน้าไม้หรือเก่าทันเสียก่อนแล้วก็จะยังไม่ถอนลูกศรถึงเพียงนั้น ถ้เรายังไม่รู้จักตัวบุรุษผู้หญิงเราว่าสายที่เขาใช้ยิงนั้นเป็นสายที่ทำด้วยปอผิวไม้ไผ่เอนบานหรือเหยือไม้ธนูที่ใช้ยิงนั้นทำด้วยไม้ที่เกิดเองหรือไม้ปลูกหางเกาทันที่ใช้ยิงเหล่านั้นเป็นหางที่เสียบด้วยขนปีกนกแรง้งนกตรกุมนกเหยี่ยวหรือนกชนิดไหนเกาทันนั้นเขาพันด้วยเอนวัว เป็นควายข้างหรือลิงลูกธนูที่ยิงเรานั้นเป็นชนิดไหนเะียก่อนแล้วเรายังไม่ต้องการจะถอนลูกสอนอยู่เพียงนั้นดังนี้มาลุง ก, กยบุตรเขาไม่อาจจะรู้ข้อความที่เขาอยากรู้นั้นได้เลยต้องตายเป็นแท้อุปมาณนี้ฉันใดอุปัหมยก็ฉันนั้นบุคลบคลผู้กล่าวว่า เราจะยงไม่ประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกว่าพระองค์จะตอบปัญหาแก้ทิฏฐิสิบประการเสียก่อนนั้นตทาคตก็ไม่ตอบปัญหานั้นแก่เขาเขาก็ตายเปล่าโดยแท้มาลุงกิบุตรถ้าจงสึมทราบสิ่งที่เราไม่พยากรณ์ไว้ด้วยความเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์สึมทราบสิ่งที่เราพยากรณ์ไว้ โดยความเป็นสิ่งที่เราพยากรณ์ก็อะไรเล่าที่เราไม่พยากรณ์คือความเห็นสิบประการที่ว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดเป็นต้นเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์มนุงกยจบุตรไรเล่าที่เราพยากรณ์คือสัจจาที่ว่านี้เป็นทุก์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุก นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี่เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้นี้เป็นสิ่งที่เราพยากรณ์เหตุใดเล่าเราจึงพยากรณ์เพราะสิ่งสิ่งนี้ย่อมประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของปรมจันทร์เป็นใบพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับ ความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพานเพราะเหตุนั้นเราจึงพยากรณ์เรื่องอย่าคิดเรื่องโลกแต่จงคิดเรื่องอริยสัจพิสุท์ทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนมีบุรุษผู้หนึ่งตั้งใจว่าจะคิด ซึ่งความคิดเรื่องโลกจึงออกจาก น, น, กนราครราชกฤตไปสู่สา บ, บัวชื่อสุมาคาตาแล้วนั่งคิดอยู่ที่ริมฝั่งสระบุรุษนั้นได้เห็นแล้วซึ่งหมู่เสนาประกอบด้วยองค์สี่คือกองผลช้างกองผลมา้ากองผลรถและผลเดินเท้าที่ฝั่งสระสุมาคตานั้น เข้าไปอยู่เข้าไปอยู่สู่เง่ารากบัวครั้นเขาเห็นแล้วเกิดความไม่เชื่อตัวเองว่าเรานี้บ้าแล้วเรานี้วิกลจริตแล้วสิ่งใดไม่มีในโลกเราได้เห็นแล้วซึ่งสิ่งสิ่งนั้นอยง น, นี้บุตษนั้นกลับเข้าไปสุนคอดแล้วเปล่าร้องแก่มหาชนว่าท่านผู้เชิญข้าพเจ้าเป็นบ้าแล้ว ข้าพเจ้าวิกลจริตแล้วเพราะสิ่งใดไม่มีอยู่ในโลกข้าพเจ้ามาเห็นแล้วซึ่งสิ่งสิ่งนั้นดังนี้มีเสียงถามมาว่าเห็นอะไรมาเขาบอกแล้วตามที่เห็นทุกประการมีเสียงรับรองว่าถูกแล้วถูกแล้วท่านผู้เจริเนยท่านเป็นบ้าแล้วท่านวิกลจริตแล้วดังนี้พิสูจน์ทังหลายแต่ว่า บุรุษนั้นได้เห็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงหาใช่เห็นสิ่งที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงไม่คือในการก่อนดึกดำบรรสงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรได้ตั้งประชิดกันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกเทพเป็นฝ่ายชนะพวกอสูรเป็นฝ่ายแพ้พวกอสูรกลัวแล้วแอบหนี เข้าไปสู่พบแห่งอสูรผ่านทางเง้ารากบัวรอพวกเทพให้หลงค้นกันอยู่พิสุทธิ์ทั้งหลายเพลิดนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงอย่าคิดความคิดเรื่องโลกโดยในยะที่ว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดเป็นต้น เพราะเหตุใดจึงไม่ควรคิดเล่าเพราะว่าความคิดนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นถึงปรมจันทร์ไม่เป็นใบพร้อมเพื่อความไหนทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานแต่เมื่อพวกเธอจะคิดจงคิดว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุ ให้เกิดทุกเช่นนี้เช่นนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์เช่นนี้ช่นนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์อยงนี้เพราะเหตุไรจึงควรคิดเล่าเพราะว่าความคิดนั้นย่อมประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของปรมจันทร์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกาหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อม นิมพานภิสุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายอย่ากล่าวถ้อยคําที่ยึดถือเอาแตกต่างกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมะไว้ไหนนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมะไว้ไหนนี้ท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมะไว้ไหนนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าสีปฏิบัติชอบคําควรกล่าวก่อนท่านกล่าวทีหลังทำควรกล่าวทีหลังท่านมากล่าวก่อน คำพูดของท่านจึงไม่เป็นประโยชน์คำพูดของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ข้อที่ท่านเคยถนัดแม้แปรปรวนไปเสียแล้วข้าพเจ้าแยง้งคำพูดของท่านแหลกหมดแล้วท่านถูกข้าพเจ้าข่มขี่แล้วเพื่อให้ถอนคำพูดผิดๆนั้นหรือท่านสามารถก็จงคานมาเถิดดังนี้พวกเธอไม่พึงกล่าวถ้อยคำเช่นนั้นประการกล่าวนั้นนั้น ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพราะความไหนทุกขความกลายกำนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานพิสูจทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงอย่ามัวสนทนาเรื่องขวางหนทางธรรมคือเดรัจฉานคาถากล่าวคือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องอมมา เรื่องฐานเรื่องของน่ากลัวเรื่องการรบพุ่งเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องระเบียบดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องหมู่บ้านเรื่องจังหวัดเรื่องเมืองหลวงเรื่องบ้านนอกเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องคนกล้า เรื่องตอออทางเดินเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ตายไปแล้วเรื่องต่างๆนาน า, นาเรื่องโลกเรื่องมหาสมุทรเรื่องความรุ่งเรืองเรื่องความสุ่โสมเหล่านี้เพราะเหตุไรจึงไม่ควรกล่าวเล่าเพราะการกล่าวนั้ น, น, นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นใบบรามเพื่อความไหนทุกข ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพานเลยแต่เมื่อพวกเธอจะกล่าวจงกล่าวว่าเช่นนี้ช่นนี้เป็นทุกข์เช่นนี้ชนนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นนี้ชนนี้เป็นความดับไม่เหลือกองทุกข์และเช่นนี้เช่นนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือกองทุกข์ดังนี้ เพราะเหตุไรจึงควรกล่าวเล่าเพราะการกล่าวนั้นนั้นย่อมประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นใบพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานพิจุจณาหลายประเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียร ให้รู้ตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิดฟังธรรมคาพุทธะ